สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ข้อแปลเย็นของวันที่ที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้า้อยห้าสิบหกเอิ่มน้อยไอค้าฟ้าพระแม่พิมพ์พาระอลาหันหญิงเึิ่มละโอนท่าน ข้อเดนคู่บาลาีของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันวันวยิมงน้อยใต้ทำสมาธิทำจิตสบายทำใจสงบใช้คำบากรีรมสัมมาจมพุทธอชิมาจมพุทธทีิตามเคย ทำแบบนี้สนจิตออกจากล่างไายก็มีดอกบัวลอยลงมาแดนดอกบัวชีขาวและมีกลิ่นหอมลงมาลับจิดของเควน อ, อิมน้อยกอดไม้ลอยขึ้นไปชูที่ประทับของพระองค์ท่าน ในดินแดนปานิพานข้างนมาบ้านมีสวนดอกไม้หลากหลายชีมีขินหอมเต็มไปหมดเมื่อหนูเดินเข้าไปก็ไม่เห็นมีใครเลยเงียบสงบแต่หนูก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะคิดว่า และ ân, องค์ท่านคงยังทรงบันเทนอยู่หนูก็เดินเข้าไปในบ้านก็มีดอกไม้โลยเต็มพื้นบ้านและมีแสงแวววาวเต็มไปหมดสวยงามมากแต่ก็ไม่เห็นใครอีกอยู่ดีจนหนู กำลังหันหลังกลับก็มีเสียงเรียกมาว่าก่อนอิมน้อยกลับมาก่อนหนจึงหันกลับไปแล้วมองหาที่มาขอเสียงนั้นและองค์ท่านก็เดินมาจากทางข้างนอกและองค์ท่านมีกายแก้ว ใช้แล้วมีความเฉยงางามมากเมื่อหนูเห็นพระองค์ท่านเดินเข้ามาแล้วหนูจึงนั่งลงกราบนมำพรารพระองค์ท่านด้วยความเคารพพระองค์ท่านก็ทรงเดินขึ้นไปนั่งบนที่นั่งของท่าน แล้วก็ถามหนูว่ามีอะไรขาใจอีกไหมเมื่อรู้แล้วว่ามาจากไหนมาทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็รีบทำงานให้สำเร็จแล้วกลับมานะนุกน้อยหากเรารู้ว่า มีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปทำ <c oughs> ก็ชมงตั้งใจทำในสิ่งนั้นและไหนลงเล่าให้ฟังโดชิว่ากวนอิมน้อยเป็นใครมาจากไหนและไปทำอะไร็นโลกมนุษย์ หนูจึงออกพระองค์ท่านว่าเท้าค่ะวันนี้เมื่อตอนบ่ายหนูนั่งฟังธรร ม, มะแล้วก็ได้ขึ้นบายเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเมื่อหนูขึ้นไปถึงที่พระทับของพระองค์ท่าน หนูนั่งลงแล้วก็กราบนักมัชการมาโอนท่านและพระองค์ท่านก็ทุนซองถามหนูว่าดูให้ดีๆนะจะได้รู้ที่มาของตนพระองค์ท่านจึงให้หนูได้รู้ตัวตนของหนู ที่มาว่ามาจากไหนแล้วหนูก็กลายเป็นนกตัวน้อยๆสีขาวตัวหนึง่งบินขึ้นไปอยู่ข้างๆ ข, ของพระองค์ท่านและองค์ท่านจึงได้พูดกับหนูว่าแท้ที่จริงหนูเป็นนกตัวน้นอย ที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกเสษขึ้นมาอยู่ในพระนิพพานแต่ในแต่ละวันหนูก็จะเห็นเหล่าเทพก็ดีเจ้าแม่ควรกินก็ดีมาเฝ้าและทรงถามถึงเรื่องราวของมนุษย์และจิตที่ยังไม่หลุดพ้นอยู่บ่อย จนพระองค์ท่านได้เล่าเรื่องราวของดวงจิตที่ยังติดอยู่บนโลกมนุษย์บาดาลและสวรรค์ให้หนูได้ฟังชนหนูรู้สึกว่าอัถรร์ที่จะมาช่วยเจ็ตเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์พระองค์ท่าน จึงส่งหนูมาอยู่กับส้าแม่กวนจิมแทนลูกของพระองค์ท่านแล้วก็มีผู้มาแทนเพื่อนคือกุมารกันแก้วแทนเทวราชตัวน้นอยที่มีปีคอยมาช่วยหนูทำงานอยู่แท่นกัน เ้าทั้งสองจึงมาอยู่บนโลกเ้าบันเพื่อเรียนรู้กับกฎของเจมกฎของกรัมของทั้งสามโลกถึงเวลา268ปีของโลกมนุษย์เลยกว่าพวกหนุษจะได้ลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อสืบสภาวธรรมโลกทิป และพระทรรคำสอนมาเผดแพ่ให้ขบมนุษย์จนวันนี้หนูก็ลงมาแล้วเป็นเวลาห้าปีที่ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์และได้เดินทางสร้างพาลามีมาจนวันนี้หนูก็ได้หลับแต่งอ้างเป็นคนอียมน้อย ของสวรรค์และสามโลกช่วยงานพระอินทร์และพระแม่คนอิมแล้วคอยถ่ายทอดประทำคำสอนของพระพุทธองค์และผู้ที่หลุดพ้นแล้วทุกทุกพระองค์มาสู่โลกมนุษย์ตามโลก จัดสรรให้ในแต่ละวันและหนูก็ดีใจที่ตนได้รู้ตัวตนรู้ว่ามาทำอะไรบนโลกและสวรรค์แพ้ที่จริงหนูก็เป็นนกน้อยของประพุทธชจ้ที่คอยทำหน้าที่ส่งพระธรรมคำสอน มาให้กับมนุษย์นี่เองหนูก็ตั้งใจทำงานให้สำเร็จแล้วจะน่ายกลับไปสู่ดินแดนพานิพานพร้อมกับผู้ที่มีบุญมีบารมีร่วมกันกับหนูในคราวครั้งนี้เจ้าข่าพแม่าพระองค์ท่าน ก็ส่งยิ้มแล้วก็ขอดูด้วยความยินดีเอาละนั่งลงเราจะมีคำสอนให้นกน้อยนำไปถอยแพ้ให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงบอกอยู่แล้วว่า การเกิดมาของมนุษย์นี้หากจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อทำตัวให้มีค่าหาั้นเราก็มาหาวิธีที่ทำให้ตนมีค่ากันนะจ๊ะกุนอิน้อยการที่เราจะทําำตัวให้มีค่าใช่ว่าจะทําำให้สวย ห ล, อ, หลอเพื่อให้มีคนอื่นมาสนใจแล้วก็แย่งกันจนเกิดความขาดแย้งในกลุ่มสร้างบาปสร้างคำข้ามพบข้ามชาติอย่าเข้าใจเดนะจ๊ะให้เข้าใจเสียว่าการที่เราจะมีข้านั้นต้องแสนคนดี มีสัจจะในวาจามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับและหน้าที่ของมนุษย์เราก็คือการตอบแทนพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายดูแลตนให้ดีอย่าให้ตกไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีเท่นการสร้างบาปทำลาย เมื่อเราทำแบบนี้แล้วทุกอย่างก็จะดีเองเพราะหากเรารู้คุณต่อผู้มีพระคุณดูแลตนเองไม่ให้เบียดเบียนอผู้อื่นและตนเองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีค่าแล้ว และเมื่อมีค่าแล้วก็อย่าหลงในสิ่งที่เป็นอยู่นั้นจึงจะเป็นผู้ที่มีค่าอย่างแท้จริงมีหลายครั้งที่ทำความดีแล้วสูญเปล่าเพราะทำแล้วหมัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่ทำว่าทำดีแล้ว หลงอยู่กับสิ่งนั้นจนไม่ลืมหูลืมตาและตัวหลงนี่แหละจะเป็นตัวลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาเหมือนคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ประกาศว่าฉันช่วยเขาแบบนี้ช่วยเขาแบบนั้นเจอผู้นั้นเมื่อไหร่ ก็พูดถึงแต่สิ่งที่ตนได้ทำไว้กับเขาจนกลายเป็นว่าไม่มีค่าอะไรเลยกลับยังทำให้เขาผู้นั้นเกลียดเราอีกซะด้วยสิ่งที่ได้ทำไปแล้วก็จงลืมมันไปอย่ายึดติดกับมัน เพราะเมื่อเราได้ทําไปแล้วก็ ข, ขึ้นอยู่กับบัญชีบาปบัญชีบุญส่วนต่อจากนั้นไปจะเป็นยังไงนั้นก็ไม่มีผลอะไรกับเราอีกเพราะเราก็ได้รับแล้วในส่วนที่ได้ทํำไปเมื่อทําได้แด แล้วก็สบ เ, เ, เป็นเพียงแม้ว่าสบเป็นเพียงความดีเล็กน้อยบุญเล็กน้อยก็ตอามเราก็จะไม่รับเป็นจริงแต่ต่อให้ทำบุญมากขนาดไหนทำดีขนาดไหนถ้าเรายึงยุดติดกับที่นั้นก็มีโอกาส ที่จะลบได้ด้วยคำพูดก็ดีการกระทําของเราก็ดีโดยที่ไม่รู้ตัวอย่าลงุงอย่ายุตดตดดจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่พระนิพพานนี่ก็เป็นพระธรรมคำสอนจากเราขอให้ท่านทั้งหลายทรงพบแต่ความสุขตลอดกาล มีชีวิตนิรันดรในพระนิพพานเทินเมื่อหนูได้รับพระธรรมคำสอนจากพระองค์ท่านแล้วหนูจึงกลับนมัสการลาพระองค์ท่านหลังจากที่หนูกาบมาจากที่นั่นก็มีแสงสว่างมาแตกไกล เป็นบันไดสีทองมาลองเอาไว้ตรงหน้าหนูแล้วก็มีเสียงเรียกว่าเชิญนมาสิเราสภาเจ้าไปในที่แห่งหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ของท่านต่อไปหนูจึงเดินขึ้นไปแล้วก็ลอยไปสู่อีกโลกหนึ่งอีกที่หนึ่ง ที่นั่นมีน้ำตกสวยงามมากมีดอกบัวเป็นบัวแก้วเต็มไปหมดและมีผู้ที่นั่งอยู่ที่นั่นผู้หนึ่งตรงมีพระปาธที่สง่างามมากเรื่องลองเต็มไปด้วยแสงจากพระกายพระองค์ท่านทรงถามหนว่ามาวันนี้ รู้จักกันแล้วหรื อ, อยังจ้ะเจ้านกน้อยหนูจึ้สายหัวและนอบพระองค์ท่านว่าไม่ทราบเจ้าค่ะว่าพระองค์ท่านเป็นใครและองค์ท่านจึงตอบหนูว่าเราก็คือประอานนินไงละ่ะจำเราไม่ได้แล้วหรือ หนูก็เลยตอบพระองค์ท่านว่าอ๋อพระ อ, อนุ น, นั่นเองกราบนมัสการเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็ส่งยิ้มหนูจึงถามพูดกับพระองค์ท่านอีกว่าคงไม่ต้องถามใช่ไหมเจ้าค่ะว่าพระองค์ท่านสบายหรือเปล่า แล้วพระองค์ท่านก็ยิ้มอีกแล้วทรงพูดขับหนูว่ามาวันนี้เราจะมีของฝากให้เอากลับไปจะเอาไหมหนูเลยตอบว่าคือสิ่งใดเจ้าคะ่ะพระองค์ท่านพูดว่ามีของจยดในพานสามอย่าง เจ้าปรารถนาจะเอาสิ่งใดก็จงหยิดไปเถิดเราจะให้หนูมองไปบนพานนั้นก็มีกระบอกสีฟ้าอันหนึง่งมีงาช้างอันหนึง่งและมีพระพุทธรูปอันหนึง่งหนึ่งองค์ซึ่งส่งแสงแวว เหมือนกับสดตนของพิเศษมากหนูนั่งลงดูของสิ่งนั้นแล้วซึงทูลถามกลับไปที่ิบะภูว่าหากแต่หนูไม่เลือกสิ่งใดเลยจะได้ไหมเจ้าคะพระองค์ท่านก็ทรงยิ้มอีกแล้วและก็พูดว่าทำไมล่ะ แล้วอะไรหนูจึงทูลตอบพระองค์ท่านว่าหนูไม่มีความปรารถนาสิ่งใดเลยและหากเอาไปจะเกิดประโยชน์สิ่งใดขึ้นเจ้าค่ะต่อเมื่อว่าเกิดประโยชน์ก็ย่อมมีโทษอามาาเสมอหนูจึงไม่ปรารถนาสิ่งใดพระองค์ท่านก็ทรง ดีก็เหมือนมีของไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากไปมีเลยจะดีกว่าเพราะมันเป็นของคู่กันจึงไม่ต้องมีจะดีกว่าจงทำตัวให้ดีก็ดีที่สุดแล้วจากคาดแควจากทุกอย่างจะมีพลังเหนือสิ่งใด อย่าไว้ใจในสิ่งของอยากจะลองต้องทำดีจัดหนุนนำชีวีให้มีสุขีแล้วพระองค์ท่านก็บอกหอนูว่าสิ่งที่หนูได้นำกลับไปนั้นก็คือธรรมะพระธรรมคำสอนนั่นแหละให้นำกลับไปเผยแผ สู่นักบุญทั้งหลายได้ฟังกันหนูจึงกราบน้ำมัช ก, การลาและอ์ท่านแล้วกลับมาด้วยดอกบัวของหนูเองวันนี้กูมาดีน้อยหรือนอกน้อยก็ได้รลดสักตัวตนของตัวเองแล้วว่าแท้ที่จริง มาจากที่ไหนแล้วท่านล่ะป่าเถนาที่จะทราบรือเปล่า ว, ว่าตัวของท่านนั้นเป็นใครมาจากไหนหากท่านผู้ฟังท่านใดปัาเถื่ที่จะทราบตัวตนของตัวเองก็ให้นั่งสมาธิ มฐานโดยใช้คำบาลีคมสัมมาสัมพุทธะอัจฉิมาสัมพุทธะสูดเข้าไปแวในท้องทำแบบนี้เรื่อยๆไปจนกว่าจะรู้สึกมีพลังเย็นๆลงมาเต็มร่างกายและร่างกายมี ออและเป็นแก้วใสๆก็อธิษฐานเอาปราชนาจะทราบถึงสิ่งใดก็จะได้ทราบได้ด้วยบารมีจากสัมมตสัมพุท ธ, ธะอัจฉมาสัมพุท ธ, ธะพระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นผู้ประทานคำบริครนี้ ขอให้สำเร็จในการค้นหาตัวตนการทุกทุกคนนะจ๊ะ